BOOK 2หกสิบห้าตัว ช, ชระฟะ ร, รการปฏิเสธสองมเดิเดนกะแหวนวงนี้แพงไหมคะอาชินชาปะ อาชนษับอ่ะไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร h าวอัช h e v ริชวัสน was าวอัช m u c ริชวัสน h o แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอาะนนอร m ช c h I'm s u น e I'm going up here How m ม c ฉันก็เง็บเสียร์คุณเสร็จแล้วใช่ไหมว่าจระว่าจะไม่ยังไม่เสร็จค่ะเฮาสพาจระกบเฮาสพาจระกบแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเฮาเทคอัมมาสพาจระชต เาวถูกเสมอสหายริชงคุณอยากได้ซูเพิ่มไหมคะจิริลิปสูไฟยจิริลิปสูไฟยไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วคะ่ะ h าวอาชนาบุรีสบายบ์าวอาชนา บ, บุรีสบายบ แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะเอาจูดี้ซูสตัวเอาจูดี้ซูสตัวคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะตท้ากุศลก็ไม่ใช่ผู้เช่ชเท้ากัศก็ไมช่ผู้เชี่ยวชาไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวเาว มาซนอัมาซนอัแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วอาบมนวาสฟะฮอาบมนวาสฟะฮคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเนชัดดช่วุจเนช ชดิชวจไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ฮา r a b i r p ฮา a b i r แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะเอาทมฟะมฟมกะเอาทมฟะมฟม ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะวิบซาเซนบชยิควะวิบซาเซนบชยิควะไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปี h าว is y o สปช c h o o l gym yet n e